ปัจณีกับปุกคโรกาดจกขุนตริยมูลกนัยสามอนุโลมปุชชาจกขุนสี่ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโลมปุชชาโสตินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจกขุนสี่ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่ อนุโลมปุจฉาจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจกขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้บัตรอยู่ในรู ป, ปราวจรภูมิค่านินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จกขุณรีไม่ใช่จกไม่เกิดปัฉิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอัถยาสัตตภูมิอรูปภูมิค่านินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจกขุณสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชา จากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปุชชาอิทธินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเราใดมีปุริชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบ โดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิถินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุณรีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจชิมภวิกาบุคคลในปัญจโวกาตภูมิแต่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอตัญญัตตภูมิอรูปภูมิอิถินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขุณรีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจชา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 บุคคลผู้บาดอยู่ในรูปปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแในปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากคุณสีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจจิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิ บุรีสินสีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่จะเกิดได้จากขุนศีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาสัตตปุ่มและอรูปปุ่มจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินรีย์ไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมภวิการบุคคล จักขุนสีกของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรียีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุชชาชีวิตินทรีของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนะใช่อนุรมปุชชาจากขุนสีของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่จะเกิด โสมนัสติณสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะใช่ปฏิรมปุชชาโสมนัสติณสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะบุคคลเราใดมีจักขู่เกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพาน โสมัณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากคุนสีไม่ใช่จกไม่เกิดปัดชิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิแต่บุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาตตภูมิอรูปภูมิโสมนณตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาจากคุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกขินสี ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิจกขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จกไม่เกิดปัญจิปัจิมภาวิกะบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจารย์สัตตภูมิจกขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุชปชา อุเปเเกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจกขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัศานาะบุคคลเราใดมีจักรกูเกิดได้ได้มีจิต เ, เป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนสีไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิ ปุเปกินสีของบุคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจัดทินศีละปัญญศีละมณินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชฉนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มณินศีไม่ใช่จกไม่เกิด ปชิมพาวิกาบุคคลและบุคคลผู้บัติอยู่ในอาภภภภภจารย์ัตตภูมิจกขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดไดมานินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจชามานินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจกขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาใช่จะขุนตริยมูลกานายัยจบคานินทริยมูลกานายัย327 อนุโลมปุชชาคานินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอิถินตีของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเราใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิตนทิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพาน อิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานินตียก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินตียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด ปุริตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาปุริตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่คาณินรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัจชิมภาวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาคาณินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนา บุคคลผู้บาดอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคาณินทตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจจิมภวิกรบุคคลคาณินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด คานินตีของบุคคลนัสส้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมณตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมณสิ น, น, นสสตีนนนนนนไม่ใช่จะ ไ, ไ, ไม่เกิด ปชิมพาวิกรบุคคลในปัญจโวการะภูมและบุคคลผู้บัจจุในสัญญาสัตตภูมและอรูปภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดได้โสมนัสตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะ บุคคลใดมีคานะเกิดได้ได้มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานโสมนณตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินตีไม่ใช่จกไม่เกิดปัจจิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิโตมนณสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานินตีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุรมปุจฉา คานินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้ น, นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปวจจาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมภรวิกาบุคคลและบุคคลผู้บาดอยู่ในอาจารยจัตตภูมิ คานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภู่มนั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเราใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่คานินทรียไม่ใช่จกไม่เกิดปัดชิมพรวิกาบุคคลและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาจัตต ภ, ภูมิอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจัตทินรียและปัญญินรีแล ะ, ญญญและมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจนะัชฉนา บุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนินรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัจชิมภวิกาบุคคลและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญสัตตภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด คานินทสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่คานินตริยมูลคนัยจบอิถินทรียะมูลคนัยสามอยยี่อนุโลมปุจฉาอิทิ์ถิญรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินทสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลเหล่าใดมีปุริจาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบ โดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจจิมภวิกาบุคคลในกา ม, มาวจรภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินสีก็ไมใ่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจชา บุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะบุคคลเราใดมีที่เกิดได้ถือปฏิสนที่ในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิ พ, พานปุรีสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิตินสีไม่ใช่จกไม่เกิดปัจชิมภรวิกบุคคลในการมาวจรภูมิ บุคคลผู้บาดอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิทินติก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิทินติของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินติของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ และบุคคลเราได้มีปุริาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตอิตินตีไม่ใช่จกไม่เกิดประจิมพระวิการบุคคลอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตอิตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชา ทีวิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาอิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใด มีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอิทธิรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสินรียไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมพาวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาัตุภูมิอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอิถธินิสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแทบโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชฌา โสมสติสติของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิติสติของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะบุคคลเหล่าใดมีถีเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานโสมณนณสิสติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิติสติไม่ใช่จะไม่เกิด ปชิมภวิกะบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาัตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุบกอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานโมสมนัสติสตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดได้อิติสติก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชา อิทินิสัยของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิตนทิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิ พ, พานอิทธินิสัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะไม่เกิด ปัดชิมภวิกาบุคคลบุคคลผู้บาดอยู่ในสรญยสัตตภูมิและบุคคลเราใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอิจินนตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกิ้นตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชา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 บุคคลผู้บัตรอยู่ในอาัญญาัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัตแล้วปรินิพานอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาอิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินตีและปัญญินตีแล้ มันินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัตชะนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลลใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นน่แหละแล้วปรินิพานอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มันินตีไม่ใช่จะไม่เกิด ปัดชิมพะวิกาบุคคลและบุคคลผู้บัรอยู่ในสัญญาัตตภูมิอิกธินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินติก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจชามนินตีกของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปฏิโรมปุจชามนินตีกของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด อิทธินตีของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อิถธินตรียมูลกนัยจบปุริตินตรีมูลกนัยสามร้อยยี่สอนุรมปุจฉาปุริตินตีของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิตนที่ในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุศศริตินทตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัดจิมพวิกาบุคคลปุริตินทตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชา ชีวิตินตีของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริตินตีของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาปุริตินตีของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัสตินตีของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ บุคคลผู้บัตอยู่ในรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานปุริตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสตินตีไม่ใช่จะกไม่เกิด ปจจิมภ์วิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอัตัญจัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเราได้มีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมาณสินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชา โสมนัสสินสีของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในปมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลเราใดมีปุริจัเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแลวปรินิพานโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะไม่ใช่จะเกิด แต่ปริสินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิการบุคคลในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในอัจฉริสัญญตตภูมิอรู ป, ปรภูมิแต่บุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแลว้วปรินิพานโมนสมณสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินตีก็ไม่ใช่จะเกิด อนุโรมปุชชาปุริตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะบุคคลผู้บัตยู่ในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั่นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน ปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุปเปกินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัดชิมภวิกาบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุปเปกินตีก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิรมปุจฉาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิด ใ, ใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลเหล่าใดมีปุริจาเกิดได้ถือปฏิสนทิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่จะไม่เกิด ปจิมภวิการบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด ตินสีละปัญญินสีละมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปาปจรภูมิอรูปปาปจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิ พ, พานปุริตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มณินสีไม่ใช่จะไม่เกิด ปัจฉิมเพวิกาบุคคลและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจาญย์ตตภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดได้มนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจ ช, ชามนินทสียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่ปุริสินตริยมุรกไนจบ ชีวิตินทรีย์มูลกนัย330อยสามสินุโลมปุจฉั่ชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมณตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉั่โสมณตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ปชิมจิตที่สามประยุทธ์ด้วยเวขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิโสมนัสตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ชีวิตตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจชิมจิตโสมนัสตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตตินรียก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชา ชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินทร์ีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชชาอุเปกินทร์ีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชชนะปัจฉิมจิตที่ถมปยุทธ์โสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัตตภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินตีละ พันยินรีและมันินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโมดมปุจฉามันินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญยัตตภูมิมันินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่จกไม่เกิด บุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจจิมจิตมนินตีของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีมูลกนัยจบโสมนสินทรียมูลกนัยสามร้ออนุรมปุจชาโสมนสินตรีของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่จะเกิด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 โสมณตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินตีก็มไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมณตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาปัชิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมณตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น E อุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสตินรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมนัน Wine. สญญ <c oughs> ตินรีก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดตัดตินตีและปัญญินรีและมนินรีย ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาะปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนัต ส, สินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมพเพลียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญยศตตภูมิ โสมณัณสินตีของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชามนินตีของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนณสินตีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่โสมณตินทริยมูรกนัยจบอุเปกินทริยมูลกานาฏสอยสาม อ, 32, อนุโลมปุชชา อุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดแต่ตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ได้โสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ตัดตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาตตภูมิ อุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสัตทินทรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุจฉาสัตทินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุรมปุจฉาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินรีและมนินทรีย บุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชณาปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนินตีไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้บัตจอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ อุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมนินตียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรลมปุชชามนินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อุเปกินตริยมูลกนาจบสัตทินตริยมูลกนัย3ามอนุโลมปุชชา สัตถินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินรีและมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชฌามณินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตถินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สัตตินตรียมูรกไนจบ ปัญญินทริยมูลกไนสย334อนุโลมปุชชาปัญญินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมานินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปัญญตนเรียมูลกะนายจบ